หน้ากระดูกตัดแขนตัด ข, า, ดขาออกทางคนข้อต่างถ่ายอุตจาระพัฒนาใส่เนี่ยทางคนข้อต่างสาวไส้ออกมาดึงไส้ออกมากองไว้นี่มันจะมีกลิ่นและสียังไงนี่เรียกว่าอสุภกรรมาฐานในท้องของเรามีอะไรบ้างในลําไส้ของเรามีอะไรบ้างช่องหูของเรา ทะลุก็ทางนี่ช่องจ้หมูกก็ไปทรลุ ก, กันมันสมองของเร า, าทะลุออกจะมีลักษณะเป็นยังไงกลิ่นและสีจะเป็นยังไงตัดแข้งตัดขาออกเอามากองไว้สมมติว่าร่างกระดุกเอามากองไว้สมมติว่าตายวันหนึ่งสองวันห้าวัน เก็บกันมีน้ำเหลืองออกมมหนอนไตตามรูจมูกหรือช่องหูช่องปาสมมุติว่ายังไม่มีใครเผาแล้วไม่มีใครเอาไปใส่กระโรลเลยทึ้งเกลือนกาดอยู่มีแรงเอกามากินก้าก้าก้ามากิดตาไปกิน ยึกน้อนไปกินมแมลงวันตอมออกว้อนมีน้อนคลขานคาค่่าคานอยู่ออกไปทวานหนักก็มีน้อนเจาะน้อนชัยเข้าไปหน้ากายก็เปื่อยขึ้นอืด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 แล้วก็สมมติว่าคนคนคนคนสัตสัตสบุคคลตัวตนเราเขามีธาตุสี่เดินน้ำไฟลมประชุมกันน้ำลายขากออกมากองไว้รวมกันเขาบุจรละของพวกเราถ่ายออกมาเต็มไส้ของพวกเราก็สาวออกมาเต็มเต็มสลาร กระดูก ก, มก็มันกันอ่ามี่ธุระเกี่ยวของจะเข้ามาเข้ามาเพรามีสุระเกี่ยวของก็แล้วไปเข้มาพรท่านตื่นขึ้นมาก็ไปตามตาไปตามหูไปตามจมูกไปตามลิ้นไปตามกายไปตามความนุกเคิดไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มี เงินต้นเงินปลายถึงทั้งหลายเรียวกว่าสังสารวัตชั่วโมงหนึ่งหายใจเข้าออกกี่ครั้งชีพจรเดินกี่ครั้งชั่วยชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถ้าคาดกับว่าเอาได้เช่นเดียวผูกไว้แขวนไว้เกิดมาเพื่ออะไรอยู่เพื่ออะไรกินเพื่ออะไรไปมาเพื่ออะไร กินพอได้อยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนอนพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อนอนนั่งพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อนั่งเดินพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อเดินเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องใช้เครื่องสอยใช้สอยพอได้อยู่ไม่ได้อยู่เพื่อจะใช้จะสอยเรื่องสร้างกุศลผลบุญลงที่ดวงใจเวลามีน้อย การท่องเที่ยวนะวัฏสงสารไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่าที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองตาก็เป็นตาอันเก่าหูก็เป็นหูอันเก่าจมูกก็อันเก่าเล่นก็อันเก่ากายก็อันเก่าใจก็อันเก่านึกคิดไปมาวนวิ่งวนวายทําไมมันนึกคิดมากแท้มันนึกหาความสุขของมันเมื่อไม่เจอไม่เจอไม่พบมันก่อนึกไปถ้ามันเป็นรอยเหมือนรอยรถรอยเดิน นั่นก็ไม่ชนะชนะั้ที่จะทําหนทางให้มันถ้ามันชนกันเป็นเหมือนรถวันนักเคสดิดังตุมตมต้มตามตุ้มตามตุ้มตามป้องเป้งป้องเป้งป้องเป้ป ง, ปปงปไม่มีกคำวันคืน่ะผู้ท่องเที่ยวมาในวัดตาสงสารท่องเที่ยวมาเพราะกรรมของตนเองยังไม่หมดใช่นี่ใช่ศีลตนเองสิ่งไหนที่มันเสร็จในโลก้ไม่มีเลย งานอะไรที่มันเสร็จไม่มีงานหายใจข้าออกก็ไม่เสร็จงานนึกคิดก็ไม่เสร็จงานมองดูรูปก็ไม่เสร็จฟังเสียงก็ไม่เสร็จนึกคิดพูดก็ไม่เสร็จเป็นสังสารวัตไม่มีเงินต้นไม่มีเงินปลายผลลัพธ์คืออะไรก็คือทุกเราดีๆนี่เองจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาพวกเรามาติดอยู่จนค้นเชื่อจนลืมตัว ถือเป็นของธรรมดาไปสักถือเป็นของสนุกไปด้วยเจราเจปวดมาก็ถือเป็นของทุกข์สิ่งที่ถือว่าเป็นสนุกสิ่งนั้นก็จักรายเป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้นเป็นหน้าที่จะพิจารณาทั้งนั้นมันก็เป็นตัวศีลอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวสมาธิอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวมันก็เป็นตัวพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในตัวเพราะจะฟอกจิตฟอกใจให้เอื้อมละอาในวัฏฏะสงสาร สิ่งไหนที่ฟอกกิตฟอกใจใแพร่ละเอื้อมละอาในวัฏฏะสงสารสิ่งนั้นเป็นคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าทาั้งหลายและเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาด้วยเป็นนิยานิกระทานำสัตว์ทั้งหลายออกจากความหลงของตนด้วยถูกแพร่ความหลงมาหลายชาติหลายภพหลงของเก่าไม่ได้สงหลงของใหม่หลงหนังหุ้มอยู่ได้รอบด้วยหลงผมขนและฟันด้วย นั่งเลยเอ็นกระดูกเยอะนะกระดูกม้ามเข้าใจตาฟางฝืดใจปลอดถ้าใหญ่ถ้าเล็กหัดใหม่หัดเก่าด้วยหลงดินด้วยหลงน้ําด้วยหลงไฟด้วยหลงลมด้วยหลงใจด้วยใครเป็นพวกปนองก็ใจเป็นพวกปนองสิ่งอื่นไม่ได้มาหลงใจใจไปหลงใจเมื่อใจหลงใจตอนไหนใจก็หลงอันอื่นตอนนั้นนอกจากใจไม่มีอันใดจะรู้เท่าใจและก็ไม่มีอันใดจะหลงใจและก็ไม่มีอันใดจะมาลวงไใจ และก็ไม่มีอันใดจะมาทําโทษให้ใจและก็ไม่มีอันใดจะมาทําคุณให้ใจใครสมประสงค์ในโลกหนึ่งใครสองใครสามใคร ส, i, สใครห้าใครแต่หนึ่งก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องนับไปละไม่มีใครสมประสงค์แต่มีผู้สมัครหาความประสงค์สมประสงค์แต่ไม่สมประสงค์แต่ก็สมัครหาความสมประสงค์แต่ก็ไม่สม พระมีแกะมีเก็มเกบมีตายมีหิวมีอยากมีสารพัดมีโรคมีโกรธมีหลงงานไม่เสร็จงานเสร็จคือพระหันจำพวกเดียวพระสวัสดิวันเสร็จเป็นเอกเทศพระชักคาคารีก็เสร็จเป็นเอกเทศพระอนาคามีก็เสร็จเสร็จเป็นเอกเทศพระหัน์เสร็จหมดแล้วงานหลงไม่มีงานโรคก็ไม่มีงานโกรธก็ไม่มี งานหลงก็ไม่มีเมื่องานหลงไม่มีงานโลคโกรธหลงก็สลายไปในตัวเกิดมาเพื่อประสงค์อะไรประสงค์อะไรหรือไม่ประสงค์อะไรก็ไม่ทราบได้เพราะผลของกรรมทําให้เกิดแล้วว่ากรรมเมโยอันี้มีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิมีกรรมเป็นปฏ่ปฏิบัติ ไปในทางบุญเรียกว่ากุศลเกี๋ยวไปในทางบาปเรียกว่าอกุศลกรมมัธยาโทมีคาเป็นทายาทถ้าทําบุญก็เป็นทายาทไปทางบุญถ้าทําบาปก็เป็นทายาทไปทางบาปกรมโยนี้โยนี้มีสี่เกิดในคันบ้าเกิดในฟองไข่บ้าเกิดในเท่าใครบ้างเกิดพุทธขึ้นเหมือนเทวดาและสัตว์นรกบ้าเรียกว่าโยนี้สี่กัมโยนี้ 1, กรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์บาปก็เป็นเผ่าพันธุ์เหมือนกันบุญก็เป็นเผา 1, ่าพันธุ์เหมือนกันเป็นพ่อๆ พ, พาไปเหมือนกันกรรมาปัติก็ปฏิบัติบาปก็ปฏิบัติบุญประปนกันไปผู้ถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ปฏิบัติบุญเป็นส่วนมากบาปก็มีน้อยถ้าเป็นพระศวสดาบันก็เป็นบุญโรคุณตะลัถ้าตามก่อนนั้นมาก็เป็นบุญโรกี ทักาคามีก็เป็นบุญโลคุตระเป็นบาปก็มีอยู่แต่ไม่ถึงกับจับไปนะรกเหมือนพระโทถาวันยังกรรมังกตษันสามิสันติยันยังกรรมังกตษามิกรลยานังวาปาปังวา่าบาปก็ดีบุญก็ดีจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังเอาม่ให้หอภินหังพ็จะเวททิฏระวงังควรพิจารณาอย่างนี้ มีความแก่เก็บตายเป็นธรรมดาทุกจะล่วงพ้นความแก่เก็บตายไปไม่ได้มีความไม่โยกพัดผ้าเป็นธรรมดาจะล่วงไปไม่ได้ก็คือเป็นธรรมดาทุกนั่นเองทํากรรมบรรไดไวจะได้รับผลของกรรมนั่นสืบไปสืบไปไหนสืบไปในวัฏฏะสงสารนั่นเองมัฏฐะแปลว่าหมุนเวียน สงสารหน้าสงสารภาวนาทำไมภาวนาเพื่อแก้กความหลงของตนปฏิบัติทานศีลภาวนาทำไมเพื่อแก้กความตนีศีลเพื่อแก้กความโหดร้ายภาวนาเพื่อแก้กความหลง อาบน้ําทําไมเพราะมันสกรปรกถ้าไม่อาบน้ําก็อยู่ไม่ได้รัฐบาลเสียธรรมทาไมถ้ามันพุ่นวายโหดเทียมข่าฟันกันตายทุกผลทุกแห่งมีกิเลสมากถึงอย่างนั้นก็อยู่มีอยู่ทุกยามยาถ้าไม่มีพพุทธศาสนาแท้ๆอยู่ในโลกนี้ mm. เสียงปืนจะดังอยู่หาระหว่างไม่ได้นะ เทียงระเบิดตูมตามตูมรามตูมตา ม, ต ม, ตามไฟไหม้บ้านไหม้เมืองออแดงโล่ทั้งกลางวันกลางคืนน้ำกินก็ไม่มีมีแต่น้ำเลือดทั้งอุจจาระทั้งปัสสาวะทั้งคนตายก็ไม่ได้เผาด้วยไม่ได้ฟังด้วยใครจะไปเผาไปฟังกันอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแท็กแทรงอยู่ในโลกไม่มีกรรมการละ โรค ก, ก็กลายเป็นโรคสุนักมองเห็นกันก็วิ่งใส่เลยกัดเลยตายเลยมิคคสัญดีมันมใกล้มิคคสัญญีมาแล้วนี่ยบ้านเมืองเป็นจลาจนสมัยนักเข้านักเข้าสมัยนี้เป็นสมัยทดสอบ เราจะยินดีในการปฏิบัติธรรมะขนาดไหนเราก็จะได้เห็นเราในเวลานี้ท่านผู้อื่นก็จะได้เห็นท่านผู้อื่นในเวลานี้จิต mm hmm. ใจจะเคารพพระพุทธศาสนาสเพียงไหนจะโสดเป็นโสดตายต่อพระพุทธศาสนาเพียงใดก็จะเห็นเราในคราวนี้ จะเห็นท่านผู้อื่นในคราวนี้ชาวโลกรบดาฆ่าฟันกันทำไมเพราะความเห็นไม่ตรงกันก็เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นเพราะไม่มีทมเป็นเครื่องอยู่มีแต่กิเลสเป็นผู้บังคับหัวใจ มันบอกให้ใช่หันขวาหันกําลังหันหน้าเดินหน้าวิ่งก็ไปตามมัน้ะถ้าชาวโลกเคารพรักพระพุทธศาสนาหน้าเดียวกันหมดสงครามก็ไม่มีอีกด้วยถึงจะมีพัะจบัดเย่งหยอดกว่ากันก็ตามก็พอแลดูหน้าดูตากันได้ดยู่ เมื่อไม่ประมาทอาบน้าเพียงใดก็ไม่ควรประมาทการปฏิบัติสินธรรมเพียงนั้นสินธรรมบรรเทากิเลสกินอาหารบรรเทาหิวเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพื่อบรรเทาเจ็บปวดเปลี่ยนอิริยาบถปิดบังทุกข์พอมันทุกข์แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถ โกนหัวแล้วงอกขึนน้นเปลี่ยนมันเป็นบางอ น, นิจจังที่เป็นก้อนเป็นท่อนมันปิดบางอ น, านัตตาหนังเปิดบางความสวยงามเปิดบางความสกรปกรกรัวมุมมีหนังหุ้มอยู่ยรดยรอบถ้าไม่หลงหนังก็ไม่หลงเลยในสกลากายเนี่ยถ้าหลงหนังก็ต้องหลงหมดเมื่อหลงหนังหมดแล้ว ก็หลงรูปประธรรมเหมือนกันก็หลงรูปประธาตเหมือนกันก็หลงรูปประขันเหมือนกันถ้าหลงเวทนาสุขก็หลงเวทนาทุกก็หลงเวทนาโอเบกขาเหมือนกันก็หลงสัญญาสังขารวิญญาณอีกเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรว น, นแต่ตลาอยู่ทั้งนั้นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ใดเลยขึ้นอยู่กับพระนครหลวงใจรักพระกนละกายในส่วน เปื่อยเน่าก็ขึ้นอยู่กับพิมังแปลว่าอันนี้ปฏิกูลังขึ้นอยู่กับเมืองปฏิกูลแล้วก็ปกโคร ม, มโสโคโทาคำสอนของพุทธศาสนาแต่รบระบาทบรรชาราคะบรรชาโทสะบรรชาโมหะแต่เมื่อพวกเราไม่รู้เท่ากลับเอามาบวกราคะโทสะโมหะให้มากขึ้น ค่ายครับเม็ดหรือผ้าสําหรับทํางานแต่พวกเราเอามาให้ฟันแข้งฟันขาหรือมาเชื้อนเนื้อของเจ้าของซะหรือกับท่านผู้อื่นวันนี้เป็นวันของใครใครเป็นผู้จองไว้ไม่มีชีวิตเป็นชีวิตของใครวันนี้ใครจองไว้ไม่มี อยู่อำนาจของใครชีวิตวันนี้ไม่มีไม่มีเป็นผู้เป็นผู้ปะครองชีวิตไม่อยู่ในอำนาจของใครเป็นไปตามสภาวะธรรมอยู่แบบเสียงบุญเสียงกรรมพระบรมศ า, ศาสดาสอนแ่ขุนเชื่องในโลกทั้งปวงเธอทั้งหลายอย่ายินดีในโลกทั้งปวง โรคภายในมีตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นต้นใจก็จัดเป็นโรคหน่วยหนึ่งเหมือนกันแต่อาศัยใจเป็นเครื่องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติพอแล้วก็ทิ้งใจเลยเพราะพระเนรพลไม่ได้เอาใจไปด้วยเพราะกายเป็นธรรมหมดแล้วเบองต้นก็นบนััญญติว่าใจ เอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาแล้วพอพ้นจากกิเลสแล้วปัจจุบันก็ไม่ได้เอาไปด้วยอดีตก็ไม่เอาไปด้วยอนาคตก็ไมไ่เอาไปด้วยจิตใจก็ไม่ได้เอาไปด้วยทึ่งไว้ในโลกทึ่งไว้ในสงสารพระนพานจะเอาใจไปสู่พระ涅槃พระนิพนานอดอยากอะไรจึงจะได้เอาใจไปจากเมืองมนุษย์ไป พระนิพพานไม่ได้อดไม่ได้ยากเพราะไม่ได้บัญญัติวาใจแท้แลว้วพระทหันตายไม่ได้บัญญัติว่าใจมันญัติว่าทำอันไม่ตายเท่านั้นที่บัญญัติว่าใจใจก็พระจะปฏิบัติใจถ้าปฏิบัติใจพอแล้วใจก็กลายเป็นทำอันไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่แคบไม่ตายซักไม่เป็นท่านะจะมาเลือกใจอีกพระหานตายแลว้ว พระหันยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเรียกว่าใจให้รู้จักความหมายกันเรียกว่าตาหูจะมูกเลี้ยงกายเหมือนกันเรียกว่าขันห้าเหมือนกันส่วนพระนิพพานไม่ได้บรรยัติกันบรรยัญญติจะเพียงว่ามีธาตุอันเย็นแล้วมีธรรมอันเย็นแล้วมีขัน ม, มีมีมติขันอันเย็นแล้วพคตไปแล้ว พ้นจากความหลงของเจ้าตัวไปแล้วใจก็มาด้เป็นมามาเป็นธาตใจกิเลสทั้งหลายก็ตามไม่ถึงซักกิเลสมันตามถึงแต่ในส ก, กุลนรกธาตุเมื่อจิตใจกลายเป็นธรรมมุตตาวันก็ตามไม่ถึงเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายยังไม่มียามาพ้านทุกเป็นผลาน เธอทั้งหลายอย่านอนใจพระบรมศาสตราเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังตจโลกธาตุไม่ใช่บ้านใช่เมืองของพวกเธอทั้งหลายเป็นที่ทรมานทั้งนั้นพระบรมศาสตรานับแ ต, ต่เทวโลกภมโลกมนุษยโลกไม่ใช่บ้านเมืองของพวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายมาทรมานทนทุกข์ต่างหากด้วยกรรมของพวกเธอทั้งหลาย เราท้าคตก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะทาคตข้ามไปแนละ้วพวกรู้ลกร้านจะไม่ข้ามดอกหรือทําแต่ละื่องวัตรบาตรเพระว่าพุทธศาสนาเรื่องเรียกตะโกนอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนมาเถิดลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยคล้ายๆคับร่องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนที่นั้นเป็นที่วุ่นวายเป็นที่คัดข้องมาเถิดที่นี้ไม่มวุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้องรื่องเรียกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน สมมติเป็นบุคลาธิษฐานเหตุฉะนั้นพระรัุณระบุตรหนีออกไปบวชในเวลากลางคืนออกบวดรวยวิธีพระบรมาศาสดาไปเห็นนางสนมกรมวังเปื่อยกายอยู่เหมือนป่าช้าพระรัุณระบุตร ก็เลยบ่นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่คัดค้องหนอบางนางบางท่านก็เขรละไหลออกบางท่านท่านก็สยายผมบางท่านก็อนอนเปลือยตายอยู่เปิดอวัยวะทุกคนทุกแห่บางท่านก็สยายผมพยศออกในตอนเวลาวันจะนสว่างเดินบริกรรมไป ที่นี่วุ่นวายเนอที่นี่คัดข้อเนาะที่นี่วุ่นวายเนอะที่นี่คัดข้องเนอที่นี่วุ่นวายเนอะที่นี่คัดข้องหนอบริกรรมไปอยู่นึกในใจอย่างนั้นบรรลานไปถึงที่พระบรมศาสดากําลังเสด็จจงกรมในจวนจะสว่างพระบรมศาสดาก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้อมานี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่าน ทานก็แสดงคําเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอนุ่องผู ota, ้พิจักฐานเรองอริยสัจสเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยเรื่องมรรคเรื่องนิโรธเรื่องเหตุเกิดทุกเรื่องความดับทุกเรื่องทางนาเนินไปถึงความดับทุกที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่คัดข้องควาว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดข้องก็คือที่ใจไม่ใช่ที่อื่นที่ไม่วุ่นวายที่ไม่คัดข้องก็คือที่ใจของท่านไม่มีกิเลสท่านก็บอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่ี่ไม่คัดข้อง พระใจของท่านไม่มีกิเลสพวกเราพบแต่ที่วนวายที่ขัดข้องเพราะใจพวกเรามีกิเลสอยู่นะทหารไม่ได้พบไม่ได้เจอที่วนวายที่ขัข้องเพราะท่านชําระความหลงของตนออกแล้วคนสมควรชั้นที่หนึ่งตนสมควรเบื้องต้นคือพระตัดาวัน สมควรละเอียดไปกว่านั้นก็พระสักาการะมีสมควรละเอียดไปกว่านั้นก็พระอนาคารมีสมควรละเอียดไปกว่านั้นก็คือพระหันนั่คืนวันล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่เรายันดีในที่สังัดหรือไม่คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทําให้เราเป็นพวกเมกะขืนในเวลาเพื่อนบันพรคิถามในการภายหลัง มันพระก็ดที่พิจารณาเรืองๆเบอย่างตอนเอาเพ็นหังพระเวกขึ้นตะปางขหัตเถก็ดีขึหัตตัวนี้บันประฑิตก็ ด, กดีให้พิจารณาเรืองเรามีความแก่เก็บตายเพื่อจะว่าให้เพลินในวรรารสงสารมันเป็นภาวนาทั้งนั้นพบอุปสรรคไม่สมไม่สงเท่าใดก็ยิ่ง ทำให้เบื่ อ, อนายในนวัตตาสงสาเนะี่ยมันจึงเป็นผู้มีปัญญาเมื่อใดสมประสงค์ก็อย่าติดอยู่สิ่งที่เราสมประสงค์นั่นเองมันจะได้พัดภากไปถ้าเราไม่พัดภากมันมันก็พัดภากเราไปเหมือนกันของที่เรารักนั่นแหละเราไม่พัดภากมันมันก็พัดภากเราเหมือนกันเช่นวัตถุสิ่งของเป็นต้น หรือสขเควสทาเป็นต้นหรืออเบกขาเวทนาเป็นต้นเพราะสิ่งเราเานี้เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายท่านผู้พ้พนไปแล้วจ่ว่าจิตท่านไม่มีที่ตั้งก็ถูกเพราะท่านไม่ยินดีในสิ่งไหนท่านก็ไม่ไตั้งอยู่ยิ่งของท่านข้ามข้ามความประสงค์ไปแล้วเบื่อความประสงค์แล้ว ไปถึงเมืองพอแล้วในใจโลกธาตุพอแล้วมองพรับเดียวก็พอแล้วเห็นความเกิดขึ้นแปลปรแล้วแตกสลายก็พอแล้วเก็บปวดแล้วไม่สงสัยแล้วทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตตั้งปัจจุบันด้วยเอาปัจจุบันเป็นพยานความแก่ไม่ลงธรรมะไม่มีเอวังความเก็บก็ไม่ลงธรรมะ ไม่มีเอวังไม่ได้เทศเอาสตางค์ใครไม่ได้เทศเอาเงินใครความป่วยเน่าในสะกลละกายก็ไม่มีเอวังไม่มีกลางวันกลางคืนด้วยความตายล่วงเวลาร่วงไปล่วงไ ป, งไปก็ไม่มีเอวังด้วยผลลัพธ์คือทุกข์ก็ไม่ลงธรร ม, มาอีกด้วย ยังได้เคยกินก็ถือว่าเป็นของธรมรมดาแต่อายที่แท้ก็เป็นธรมรมดาทุกนันเองกายยกับทุกทุกทางกายใจต่อที่ทุกทุกทางใจเมื่อใจยังไม่พ้นทุกอย่าปฏิเศษว่าข้าพเจ้าไม่ทุกมันขอปฏิรวงตนเองเพื่อให้เจ้าของนอนใจเพราะเจ้าของยังไม่มีไม่ไม่มีญาณว่าพ้นทุกนว่ า, าตาสงสารโดยสิ้นเชิงก็รวงให้เจ้าของนอนใจเหมือนหมู เขาเอาอาหารมาให้มันก็บอกว่ามันสบายใ่เวลาเขาจูงไปฆ่ามันก็ร้องเลยนกเขานกกระทาเขาเอาน้าใส่กระบอกถอกน้มใส่กระลาให้มันกินแล้วมันก็ไม่ไหวใจเลย พอมันออกจากกรงได้มันก็บปนปลื้มหนีไปเลยไม่กลับมาอีกไม่เหมือนหมูเขารักหมูเขาเรี่องแต่เขารักไปขายข้าเขาไม่ได้รักท่านอื่นพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาผู้พูดและผู้ฟังอยู่นี่เอง นั่นใจเป็นผู้พูดมันก็มาหาใจเองใจเป็นผู้ฟังมันก็มาหาใจนั่นเองคนตายฟังไม่ได้ยินเพราะมันมีวิญญาณอยู่ที่นั่นรวมเข้าข้างหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นสังขารรอบหนึ่งแล้วเห็นไตรโลกธาตุรอบหนึ่งแล้วเห็นอนิจจังทุกขรังอนัตตารอบหนึ่งแล้ว เห็คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รอบหนึ่งแล้วเห็นดินน้ำไฟลมรอบหนึ่งแล้วเห็นสังขารละกองทุกรอบหนึ่งแล้วเห็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งแล้วเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายรอบหนึ่งแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาสอนอย่างนั้นเห็นพระธรรมทั้งหลายรอบหนึ่งแล้วเพราะธรรมทั้งหลายมาสอนอย่างนั้นเห็นพระอริยสง์รอบหนึ่งแล้วพราะอริยสง์มาสอนอย่างนั้นเห็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายรอบหนึ่งแล้ว เพราะว่าพุทธเจ้าทั้งหลายมาสอนอย่างนั้นเห็นหนทางเข้าสู่มรรคผลนี่พา ร, รอบหนึ่งแล้วเพราะมาสอนอย่างนั้นหางทุกขโตัวหวมิขะเราจงเป็นสุขเถิดเราจะเป็นทุกข์ก็พระพิจารณาละบาปบำเพ็ญบุญนี่ทุกข์โหวมิขะเราอย่าได้มีเวรในภัยกับท่านผู้ใดเลย ก็อย่าไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็ไม่มีเวรมีภัยครับใครอัยยาพระโชว์อพัยยาพระนพยาบาทไม่มีก็เป็นสุขกนนรารักสุขทุกทุกท่กทานแต่เหตุที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นก็มีความเห็นต่างกัน สัตว์ที่บัญหยัดสุขไม่เป็นก็รักสุขเหมือนกันนกเห็นเราไปมันไม่ไห้ไกลมันเกรงว่าจะไปทําอันตรายมันก็บินหนีผู้ใดมีกรรมฐานอันใดก็จับกรรมฐานอันนั้นฐานะแปลว่าที่ตั้งอยู่ของกุศลพลบุญของศีลของสมาธิของปัญญาของทานวัตชีรวัตภาวนาวัตเอาไปรวมไว้ที่นั้นที่กรรมฐานที่ตั้งไวนะ้่ะ นอนก็รอนหลับคาพ ก, กรรมฐานผู้ภาวนาพุโทโธก็หลับคาพุโทโธผู้ภาวนาอ น, นิจจังก็หลับคาอ น, นิจจังผู้ภาวนาทุกขังก็ต้องหลับคาทุกขังผู้ภาวนาเจ้ากนรกายเปื่อยเน่าก็ต้องหลับคากันถ้ามาอย่างนั้นเรียกว่านอนไม่มีข้าวัดนอนเหมือนโคเหมือนกระบือหรือเหมือนชัดอื่นลุกเกินไปทำอาหากินก็เหมือนกันก็ต้องระลึก ถึงว่าพุพทธธรมพระสงค์เป็นอารมณ์อยู่ไม่น้อยก็ทั้องมากพราะถือศาสนะพุทธพรอพูดโทอยู่ที่ดวงใจธรรมโมอยู่ที่ดวงใจสังโฆอยู่ที่ดวงใจแล้วความดีความช่วยอยู่ที่ดวงใจแล้วจะหาความดีก็ต้องเห็นอยู่ที่ดวงใจจะหาความช่วก็เห็นอยู่ที่ดวงใจถ้าใจไม่ทําชั่วจะอะไรให้ทําถ้าใจไม่ทําดีให้ใครทําถ้าเห็นก็เห็นอยู่ที่นั่น ถ้ามีมันก็ต้องเห็นอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีมันก็มาเห็นอยู่ที่นั่นสะอาเหนื่อยเหนื่อยฮะความสุขในโลกมันไม่เจอมันไม่เจอมันไม่เห็นท่านก็เลยลาความเหนื่อยนี้ไปสักพระหันแต่พวกเรายังไม่เหนื่อยยังเอามันเอามันมึงเถอะมึงเถอะกูจะเอามันยังต่อสู้อยู่พวกเราส่วพระหันท่านยกส่งเขาแล้วไม่เอาไม่สู้ไม่เอาไม่สู้ ไม่เอาไม่สู้ใช่นี่ความหลงของตนแรกพอเข้าสู่พระนิพพานเรามาท่องเที่ยวในวัดตาส่องสารอยู่นี่กูเป็นนี่มึงมึงเป็นนี่กูอยู่นี่แหละอา้าวกูโกรธใช่มึงมึงโกรธใช่กูกูเป็นเวรมึงมึงเป็นเวรกูกูกินมึงมึงกินกูอืเรากินไก่ไก่ก็กินขี้เรา เรากินหมูหมูก็กินขี้เรากูกินขี้มึงมึงกินขี้ครูอยู่นี่ถูกไหมน้าอะไรบ่เนี่ยแล้มองยังว่าเออเอาล่ะสิ เลยนเนี่ยภาวนาของกคยของวันเนอะยะสาวาลิวะาปุราปะตุเร็นติสาการเยวามีวายโสสินังเปตาลังปุปกะปฏิิจิตังปจิตังตุมาที่ว่ามีวะจมิจตูสะเพปูเรนตุสังสป่าจันโทกันาโส ยาถามนีโสทิระโสยาถาทัพีติโเวัชันตุสัปพตุโกทัพอุโยทัพอุโกวินัสสัตุมาเตปวัตวันตรายูทุพีตีขายุโกท้ออภิวาสนาสีนสานิจังวุธาปิชายโนยะตารุธมรวัทันติอายุวโนสุครั้ง